ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยสังหะอัตตกรถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปรเรื่องที่ส3กสิบามกมา ก, มา ก, ากรรมวินิชยกถากระถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องสังคกรรมน้อยใหญ่ต่อ ก็ทบทวนเรื่องของกรรมสี่ก็คืออปโลกนกรรมยติกรรมยติทุติยกรรมแล้วก็ยติจัตุรกกรรมถามว่าอปโลกนกรรมถึงฐานะเท่าไหร่ยติกรรมถึงฐานะเท่าไหร่ยติทุริยกรรมถึงฐานะเท่าไหร่ยติจัตุริกกรรมถึงฐานะเท่าไหร่ก็ตอบว่าอปโลกนกกรรมถึงฐานะห้าอย่าง ก็คือโอสารนาอย่างหนึ่งนิสารนาอย่างหนึ่งพันธุ ก, กรรมอย่างหนึ่งพรหมทานอย่างหนึ่งแล้วก็กรรมลักษณะเป็นคับรบห้าอปโลกน ก, กรรมถึงฐานะห้านี้ถ้าอย่างนะก็คือทบทวนโอสารนานี้หมายถึงการถอนโทษเป็นการเรียกเข้าหมู่ส่วนนิสารานานั้นเป็นการขับออกจากหมู่ก็ได้แก่พวกพันธกรรมแก่สมเณรกันทกะอันนี้ก็ใช้ อภโรกนกรรมด้วยกวามนิสธรนาส่วนพันธุ ก, กรรมก็เป็นการโกนผมโรมทันก็เป็นการลงโทษพิกสุที่มีปากร้ายเช่นลงพรมทันกับพระชนะเป็นต้นแล้วก็กรรมลักษณะกรรมลักษณะเช่นอวันทิยากรรมการไม่กราบไหว้พระพิกสุของพิษุนีถ้าทำไม่ดีเป็นผู้ที่ชอบลั่นแป้งไปทำอนาจารกับพิษุนีนี่พิษุนีสามารถที่จะทำอวันทิยกรรม เป็นการสวดประกาศอปโณกรนกรรมเนี่นะว่าจะไม่กราบไหว้นุกลาบทําสังมิจกรรมกับพิจารุรูปนั้นจนกว่าจะแก้ไขทําตัวให้ดีถือว่าอภ ร, รณกรรมแจกผลไม้ของสงแจกของสงแก่บุคคลต่างๆก็ได้อันนี้เรียกว่าเป็นอภ ร, รณกรรมถึงฐานะห้าอย่างส่วนยติกรรมถึงฐานะเก้าอย่างถามว่ายติกรรมถึงฐานะเก้าอย่างนั้นเป็นฉไนตอบว่า โอสัรนาอย่างหนึ่งนิสัรนาอย่างที่สองอุโบสถอย่างที่สามปวารณาอย่างที่สี่สมมุติอย่างที่ห้าการให้อย่างที่หกการรับอย่างที่เจ็การเลื่อนปวรณาออกไปอย่างที่แปดแล้วก็กรรมลักษณะเป็นที่ทํารบก้าอย่างนี้เรียกว่ายัติกรรมถึงฐานาก้าอันแรกโอสัรนาก็เป็นการวาจาเป็นวาจาเรียกอุปสัมบทาเปิกขาเข้ามาเวลาที่จะบวช อุสรรคพระทาเตกาก็มายถึงผู้ที่มุ่งจะอุปสมบทหลางที่จะเรียกเข้ามาก็ใช้ยัตติกามเรียกคู้สวดเรียกเข้ามาในการใช้ยัตติกรรมามเรียกว่าโอสรัรนาส่วนนิสารนาก็เป็นวาจาถอนทิฏฐุพู้ทำมกระถุกออกจากอุปาหิกาวินิฉัยคือไปสวดทํามะกระถุกแต่วินิฉัยนี่ไม่เข้าทางเข้าทางไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอไม่มีที่อ้างหลักฐานเพียงพอก็ ให้สวดยัติกรรมตรวจคำว่าจ่าถอนทิศุทำมันก็ถึงนั้นออกได้เรียกว่านิสต์ธรรมนาส่วนอุโบสถใช้ยติกรรมเหมือนกันวันนี้เป็นวันอุโบสถที่เท่าไร่แล้วสงพร้อมเพลียงกันแล้วก็ให้ทําอุโบสถในวันนี้เป็นยัติกรรำภารณาก็เหมือนกันก็ใช้ยัติกรรมนี้คำวาจายติกรรมส่วนสมมติ สมมุติเป็นการสมมุติตนเองก็ได้หรือว่าสมมุติผู้อื่นก็ได้ในการสอนซ้อมอุปสัมบทาเปกขะผู้มุ่งที่จะบวชหรือว่าสมมติถามอันตรายยิกรรมตอนที่จะบวชหรือว่าสมม on on ุติตนสมมุติผู้อื่นถามพระวินัยก็ได้หรือว่าสมมติตนสมมติผู้อื่นให้ตอบพระวินัยก็ได้อันนี้ก็ใช้ญาติกรรมส่วนการให้นั้นก็ได้แก่การให้จีวรหรือว่าให้บาทที่เป็นนิสกีเสียสละแล้วก็ให้คืน ถ้าเขาเสียสระการสงก็ใช้ยติกรรมเนี่ยแล้วก็ให้คืนให้บาชวอนที่เป็นอิสกิยะคืนไปก็ได้ส่วนการรับก็ได้แก่การรับอาบัติก็ใช้ยติกรรมถ้าเขาแสดงอาบัตกระสงเขาใช้ยติกรรมแล้วให้ทิศสุตรผู้ชรารูปหนึ่งในการรับอาบัตก็ได้นะส่วนการเลื่อนปรนนาออกไปนี้ก็หมายถึงทิกสุที่มีการข่อความบากหามางการทะเลาะกันมิวาที่ก่อนในสงเนี่นะ ก็ให้เลื่อนโปร่านาออไปก็ได้จะทําสังพเพศอะไรพวกนี้ก็ให้เลื่อนโปรานาไปก็ใช้ยติกรรมเหมือนกันหรือว่าจะเป็นการเลื่อนโปร่านาโดยการเปร่านาสงเคราะห์อันนี้ข้ น, นี้ก็ใช้ยัติกรรมแล้วก็กรรมลักษณะกรรมลักษณะนี้ก็หมายถึงตินนวัตถะระนะถ้าสงจะแตกร้าวกันโดยที่จะวินิจฉัยแล้วก็จะทําความแตกร้าวทาการแตกแยกสงอันนี้ก็ให้กลบไว้ด้วยย่าตินนวัตถะระยกเว้นอปัตที่เกี่ยวข้องกับคติธรรมทั้งหลาย นอกนั้นอาบัตรที่เหลือทั้งหลายก็ให้เป็นอันแสดงคืนหมดเลยอาบัติเล็กน้อยทั้งหลายไม่ต้องมาบนิใัยกันเพราะว่าเดี๋ยวจะทำความแตกร้าวต่อการดอันนี้ก็เป็นกรรมลักษณะเป็นตินวัารกะส่วนยติธุรยกรรมถามว่ายติธุรยกรรมถึงฐานะเจ็ดอย่างเป็นไฉไหนตอบว่าอย่างนี้หนึ่งโอสารณาเหมือนกันอันที่สองนิสารณาอันที่สามสมมติอันที่สี่ การให้อันที่ห้าการถอนอันที่หกการแสดงอันที่เจ็ดกรรมนรสนะเป็นที่คำรบเจ็ดยติทุยกรรมก็ถึงฐานะเจดนี้ข้อที่หนึ่งโอสรัรวนาก็หมายถึงการงางบาทแก่เจ้าราชวีเจ้าราชวีนนี้ก็โจ์หรือว่าทำไม่ดีกับพระริสุผู้ที่ไม่มีความเลื่อมใสติดเตียนพระพุทธธรรมสงฆ์พกุศลตัวนี้ก็ให้ความบาศได้การข้อมบานั้นเป็นนิตรมา ความบาปแต่เจ้าได้ชวยหรือว่าใครก็แล้วแต่อุบาสง่งบุตริการที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธธรรมบารสงใส่ร้ายพระพิสุต่างๆนี่ก็ให้ความบาปเรียกว่านิสธรณาถ้าเขามาขอแก้ตัวแล้วขอกมานาโทษแล้วก็ไยบาปเรียกว่าโอธรรมาอันนี้ก็ใช้ยติทุติยกรรมวาจาส่วนพระคาส่วนสมมุติก็เป็นการสมมติสิทธ้าอย่างสมมุติสิทธ้าอย่างสมมุตทิทพิสุผู้รับจีวรจุนต้ตนหรือว่า พิสูจผู้ที่แจกจีวอแจกของอะไรต่างๆสมมุติพิสูจน์ที่เป็นพัตตุเทศหรือว่าเป็นผู้ที่จัดแจกเสนาสนะอันนี้ก็ใช้ยติทุติกรรมสมมุตินะหรือว่าสมมุติสีมาก็ใช้ยติทุติกรรมเหมือนกันสมมุติสีมาก็ใช้ยติทุติกรรมส่วนการให้ก็ใช้ยติทุริยกรรมเป็นการให้จีวอนมรดกของผู้ตายของพิสูจนผู้ตายหรือว่าจีวอกระถิน ก็เป็นการให้มันการเรียกว่าเป็นการให้นะชีวรกระถินหรือว่าจีวรบรรลงผู้ตายการถอนก็ได้แก่การรื้อกรถินการรื้อกรถินถ้าเกิดจะต้องรื้อก่อนเพราะว่าจะได้อานิสง์หรือว่าจะได้ติกตุผู้ที่เป็นอาคันตุกะจะได้ได้จีวรด้วยเป็นการอนุเคราะห์กับติฏฐุอาคันตุกะผู้นี้ก็ให้รื้อกรถินได้ให้ทําการดาะนนั่นเองส่วนการแสดงก็ได้แก่การแสดงพื้นที่กุติวิหาร ขอที่ถูกที่ต้องการที่จะสร้างกุฏิวิหารใหญ่หรือว่าวิหารที่มีเจ้าภาพอยู่นะกุฏิก็แล้วแต่เป็นของส่วนตัวการแสดงพื้นที่ต้องให้ส่งแสดงพื้นที่ให้ก็ แ, แสดงด้วยยติธุยกรรมวาจอส่วนกรรมลักษณะก็ได้แก่ยติธุยกรรมในตินนวัถารกะเหมือนกันก็ใช้ยติธุริยกรรมก็ได้ยติกรรมก็ได้ในตินนวัถารกะ อันนี้ก็เป็นยติธุริกรรมถึงฐานะเจ็ดอย่างนี้ส่วนยติจตุตกรรมถามว่ายติจตุตกรรมนั้นถึงฐานะเจ็ดอย่างไรเป็นฉไหนตอบว่าโอสัตราอย่างที่หนึ่งไอ้สองอันนี้สัตว์ธรณาอันที้สามสมมติอันที่สี่การให้อันนี้ห้านิพหะอันที่หกสามลูกพาอันที่เจ็ดก็กรรมลักษณะเป็นที่คารบเจ็ดยติจตุตกรรมถึงฐานะเจ็ดนี้โอสัตรราก็เป็นการระงับ กรรมทั้งหลายที่ส่งได้ลงเช่นตัดชนิยกรรมนิยสกรรมตัดชนีกรรมก็เป็นการตําหนิติเตียนเป็นการชี้นิ้วแบ่งโทษต้องมีข้อวัดประพฤติด้วยนะนิยสกรรมก็ปลดลดยศปลดตำแหน่งปรพาชณิกรรมก็ขับไล่ออกจากวัดปฏิสาตณิยกรรมก็ให้ไปขอโทษคดหัาทั้เนี้นะคือว่าพวกอุเคปนิยกรรมอะไรทักนี้สามอย่างนั้นถ้าลงกรรมพวกนี้ก็ได้ว่านิสธรณมาขับออกจากงู ส่วนโอสัรนก็เป็นการระงับกรรมเหล่านั้น<ม>ก็เรียกเข้ามูลสมมุติด้วยยติจตุตกรรมอันนี้พูดถึงยติเจตุติกรรมยศรณาโอสัรนาในการากใช้ยติเจตุติกรรมทั้งนั้นเลยส่วนสมมุติก็ได้แก่สมมุติภิกษุที่สอนภิกษุณีก็ใช้ยติเจตุติกรรมเลยการให้ก็ได้แก่การให้ปริว่าหรือว่าการให้มานักก็ใช้ยติเจตุติกรรมนิฆะ ก, ก, ก็ได้แก่มูลายะปฏิการสนาชักเข้าหาอวบเดิม ล้มเลิกวันที่อยู่ปริวาสอยู่มานาไปแล้วก็ชักขหาวอาบับดเดิมอันนี้เรียกว่านิหะเป็นการคมอยู่ปริวาสอยู่มานานแล้วยังต้องอบดัลสังฆทิเศตใหม่อีกเป็นการคมชักข่าบับดเดิมแล้วก็อยู่ใหม่ใช้ยติเจตุกรรมเหมือนกันสามมนุภาพก็ได้แก่ยาวาตติยากาบหมไปถึงต้องสวดประกาศสามครั้งยติครั้งหนึ่งเป็นสี่ในเรื่องของอบดัลสังฆทิเศตนั่นเอง ผู้อาบัติสงฆ์รเศษที่เป็นยาวัตติยการภิกษุที่ตะกิจตะกายทําลายสงฆ์หรือว่าเป็นพักพวกกับภิกษุผู้ตะเกียงจะกายทําลายสงฆ์ที่ถือว่ายากสอนยากแล้วก็ภิกษุผู้ประทุศรสกุลตักเตือนว่ากล่าวแล้วไม่ฟังก็ให้สวดสมุน no. e ุภาพยติเจตจกรรมของภิกษุณีก็มีตั้งหลายข้อของภิกษุณีก็มีพวกประราชิกเลยประราชิกก็มีการสวดสมุนุภาพสงฆ์ไร้เศษก็มีแล้วก็อันที่เจ็ด อันที่เจ็ดกรรมลักษณะก็ได้แก่อุปสมบทแล้วก็อภารนกรรมอุปสมบทกับอภารณกรรมนี้จัดว่าเป็นกรรมลักษณะของยติจตุติกกรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรสีอ ย, ย่างเคยนักพูดถึงตรงนี้ทบทวนต่อไปพึงสร้าบวินิจฉัยในพระบาลีเพียงเท่านี้แล้วส่วนคาถาวินิจฉัยในเรื่องกรรมนี้พึงทราบตั้งแต่ต้นนงต่อไปนี้ ตามที่ต้องยังสงผู้ตั้งอยู่ในสีมาให้หมดจดนําฉันท้าของพิกษุผู้ควรแก่ฉันท่ามาสวดประกาศสามครั้งทําตามอนุมัติของสง์ผู้พร้อมเพียงชื่อว่าอปโลกนันนรรมให้สวดประกาศสามครั้งไม่ต้องมีการตั้งญาติต้องอยู่ในสีมาด้วยแล้วนำฉันท่าของภิกษุผู้ควรแก่ฉันท่ามาด้วยทําตามอนุมัติของสงผู้พร้อมเพียงกันนี่เรียกว่าอัปโลกนันนรรมก็แปลว่าประกาศให้รู้นั่นแหละ กรรมที่ต้องทําด้วยยัตติอย่างเดียวตามอนุมัติของสองผู้พร้อมเพียงตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหลชื่อว่ายัตติกรรมก็คือต้องมีสงพร้อมเพียงกันอยู่ในสีมานำฉันทาสมิสุภควรแกฉันทามาแล้วก็สวดประกาศยัตติครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็สรุปก็เป็นอันทำดินใครคัดขานกรรมก็เป็นธรรมใช้ได้กรรมที่ต้องทําด้วยอนุสาวนามียัตติเป็นที่สองอย่างนี้คือยัตติหนึ่งอนุสาวนาหนึ่ง ตามอนุมัติของสงฆ์ผู้พร้อมเพียงตามในที่กล่าวแล้วนั่นแลชื่อว่ายติทุติยกรรมก็คือมีการสวดประกาศยติครั้งหนึ่งแล้วก็มีการปรึกษาอนุสาวนาวก็คือปรึกษาวนาว่าถ้าเห็นชอบด้วยให้ น, นิ่งถ้าไม่เห็นชอบด้วยให้พูดก็อนุสาวนาครั้งหนึ่งเป็นสองครั้งอันนี้เรียกว่ายติทุติยกรรมทําในผีมาแล้วก็สงฆ์พร้อมเพียงกันทํา ตามฉันท่าของพี่สุภุกรแกฉันท่ามาด้วยอยู่พร้อมหน้ากันก็ต้องไม่ขัดข้ า, าขัดขานกรรมก็ใช้ไม่ได้กรรมที่ต้องทําด้วยอนุสาวนาสามครั้งมียติเป็นที่ตีอย่างนี้คือยติหนึ่งอนุสาวนาสามตามอนุมัติของสองผู้พร้อมเพียงตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหลอันนี้ก็ชื่อว่ายติจตุถกรรมเป็นกรรมที่สําคัญหนักที่สุดต้องใช้การปรึกษาการสามครั้งแล้วก็ตรวจตรระครั้งหนึ่ง ในสีมาที่สมบูรณ์ก็คือไม่ใช่สีมาวิบัติเป็นสีมาสมบัติแล้วก็ไป้งตัที่เข้ากรรมมีจํานวนเท่าไหร่ปะตตจรรย์ให้เข้ากรรมได้พร้อมเทียงกันแล้วก็นำฉันท่าของพิจุควรแก่ฉันทามาด้วยถ้าอยู่ในสีมาเดียวกันแล้วไม่ได้มาเข้าหัตถบาก็ต้องให้ฉันทามาแล้วก็อยู่พร้อมหน้ากันต้องไม่ขัดขานบรรดากรรมเหล่านั้นอปโลกนกรรมพึงทําเพียงอปโลก ไม่ต้องทําด้วยอำนานยัติกรรมเป็นต้นก็คือสําหรับอภิโลกณากรรมในฐานะห้าอย ller, ่างนั้นน่ะทําโดยอภิโลคฉะนั้นไม่ต้องทําด้วยยัติกรรมยัติธุริกรรมยัติเจตุติกรรมก็ไม่ต้องไปทําทําอภิโลกณากรรมอย่างเดียวในฐานะห้าอย่างนั้นอันหนึ่งยัติกรรมพึงตั้งยัติอย่างเดียวแล้วทําไม่ต้องทําด้วยอํานาจอภิโลกณากรรมเป็นต้นก็คือถ้ายัติกรรมก็ต้องทําด้วยยัติ ยัติกรรมมีฐานะเก้าอย่างโอสัตระนานิสระนาอุโบโสถปรารนาส ม, มุติการให้การรับการเลื่อนปรารณาออกไปกรรมลักษณะพวกนี้ก็ทําด้วยยัติกรรมเท่านั้นไม่ต้องทําด้วยกรรมอย่างอื่นส่วนยตัติทุติยกรรมที่ควรอัปโลกทำก็มีไม่ควรอัปโลกทำก็มียัติทุติยกรรมนี้พิเศษก็คือบางอย่างมีอปโลกด้วยบางอย่างไม่มีอัปโลกในสองอย่างนั้นกรรมหนักหกอย่างนี้ก็คือ สมมติสีมาถอนสีมาให้ผ้ากรถินหรือกรถินแสดงที่สร้างกุฏิแสดงที่สร้างวิหารไม่ควรอับโขกทำต้องทําด้วยยติทุริยกรรมอย่างเดียวหกอย่างนี้นะเพยติธุริยกรรมี้มีเจ็ดอย่างยติทุริยกรรมมีเจ็ดแต่หกอย่างนี้ต้องทําด้วยยติทุริยกรรมอย่างเดียวก็คือสมมติสีมาถอนสีมาให้ผ้ากรถินหรือกรถินแสดงที่สร้างกุฏิแสดงที่สร้างวิหาร ไม่ควรอาปลาโลงทำมพึงสวดยติทุรยกรรมวาจารมเท่านั้นส่วนกรรมเบาเหล่านี้คือสมมุติสิบสามที่เหลือสมมติสิบสามที่เหลือและสมมุติมีการให้ถือเสนาสนะและให้มรดกจีวรเป็นต้นอาปลาโลรทำก็ควรแสดงว่าจะใช้อาปโลกก็ได้แต่ละกรรมเหล่านี้เป็นกรรมที่เบาเราสามารถที่จะใช้อาปโลกแทนก็ได้ แต่ยติทุรยกรรมนั้นไม่ควรทําด้วยอำนาจยติกกรรมและยะติจตุถกรรมแท้แต่ว่าทําด้วยอัปโลกได้แต่ว่าจะต้องเป็นกรรมเบาก็คือสมมติสิบสามที่เหลือก็คือสมมุติที่สุบผู้ที่รับจีวรผู้ที่เก็บจีวรผู้ที่แจกจีวรนเรียงต่างเ น, นี้รวมทั้งสมมุติการให้ถือเศนาชนะแล้วก็ให้มรดกจีวรด้วยอันนี้อัปโลกทําก็ได้แต่ว่า ไม่ควรจะทําด้วยยติกรรมหรือว่ายติจตุตกรรมเดี๋ยวจะกลายเป็นกรรมสังกรรัดกันกรรมที่ปนกันอาจารย์บางพวกกล่าวว่าเมื่อทําด้วยอํา น, นาจยติจตุตกรรมย่อมเป็นกรรมมั่นคงกว่าเพราะเหตุนั้นควรทำํำทำของอาจารย์พวกนั้นได้ถูกคัดค้านเสร็จแล้วว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความสังกัดแห่งกรรมย่อมมีเพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรทําอันนี้ก็เป็นความเห็นของอาจารย์บางพวกเท่านั้นก็ไม่ควรถือเอา ก็ถ้าว่ากรรมนั้นเสียโดยอักษรก็ดีเสียโดยบทก็ดีมีบทที่ตรวจไม่ชัดก็ดีไซการที่ตรวจซ้ำๆเพื่อชําระกรรมนั้นก็ควรการตรวจซ้ำๆนี้เป็นทันหีกรรมของกรรมที่ไม่กําเริบก็คือกรรมนั้นน่ะไม่กําเริบแต่ว่าสวจแล้วไม่ชัดก็ทําให้เกิดความคลางแคลนใจได้สงสยัยได้เพราะฉะนั้นทําทันหีกรรมเพื่อให้เกิดความมั่นคงทันหีก็แปล ว, ว่ามั่นคงนั่นแหละ เพให้เกิดความมั่นคงก็คือไม่ให้สงสัยนั่นเองถ้าเป็นกรรมที่ไม่กรรเริบมันก็จะทําให้มั่นคงในกรรมที่กรรเริบแล้วย่อมเป็นกรรมที่ถูกต้องก็คือสวดแล้วมันเกิดกรรมนั้นวิบัติไปมาสวดใหม่สวดใหม่ก็เลยทําให้กรรมนั้นถูกต้องเพราะนั้นก็ควรในการเนี้ทําทันทีกรรมถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาเนี่ยต้องให้สวดซ้าๆสวดซ้ำๆก็ไม่จำเป็นต้องสวดครั้งเดียวสวดสองครั้งสามครั้งก็ได้ มีภาพสื่อรายรูปที่ไม่แน่ใจในการบวชของตัวเองไปทําทันทีกรรมในภายหลังอันนี้ก็ไม่ได้มีโทษอะไรก็ทําให้ไม่มีความคลางแคลงใจไม่สงสัยเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าสงสัยแล้วทาให้วุ่นวายจิตใจก็ไม่สงบเจริญสมถะวิปัสสนาไม่ได้ผลเท่าที่ควรส่วนยัติจตุจกรรมต้องตั้งยัติสวดกรรมวจาสามครั้งทําไม่ควรทําด้วยสา ม, มารถแห่งอาปโลกณักกรรมเป็นต้น เพราะฉะนั้นสําหรับอัปโลกนกรรมทําด้วยอัปโลกอย่างเดียวทําด้วยกรรมอย่างอื่นไม่ได้ยัตติกรรมก็ทําด้วยยัตติอย่างเดียวจะทําด้วยกรรมอย่างอื่นไม่ได้ส่วนยัตติจตุตถกรรมก็ทําด้วยยัตติจตุตถกรรมอย่างเดียวไม่ทําด้วยกรรมอื่นจะมีแปลกก็คือยัตติทุติยกรรมสามารถทำด้วยกรรมก็คือเอาอัปโลกนกรรมมาทําก็ได้แต่ต้องเป็นยัตติทุติยกรรมประเภททํากรรมบาะวันสมมุติสิบสาม สมมติเกี่ยวกับเรื่องการรับจีวรแจกจีวรสิบสามอย่างแล้วก็สมมติการให้ถือเส น, สนาคนะั้นให้บารมีจีวรทุนนี้วนนี้สามารถที่จะอาปโลอกทำได้แต่ว่ากําหนักอย่างอื่นต้องใช้ยติธุรยกรรมก็คือสมมติสีมาถอนสีมาให้ภากระถินหรือกระถินสแสดงที่สร้างกุฏิแล้วก็ที่สร้างวิหารคนนี้ต้องใช้ยติทุรยกรรมทำ ในข้อว่ากรรที่พึงทําต่อหน้าทํารับหลังชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุนี้กรรที่พึงทําพร้อมหน้ามีอยู่กรรมที่ไม่พึงทําพร้อมหน้าก็มีอยู่เหมือนกันกรรมบางอย่างต้องทําพร้อมหน้าเท่านั้นกรรมบางอย่างไม่ต้องทําพร้อมหน้าก็ได้ในกรรมทั้งสองอย่างนั้นกรรมแปดอย่างนี้คือทูเตนะอุปสมปทาการอุปสมบทโดยทูตให้นางพิษุณีการอุปสมบทโดยทูตให้นานพิษุณีก็คือเรื่อง นางอัฏฐากาศีเป็นโสเภณีตอนหลังอยากจะบวชเป็นเษุนีพวกนักเลงทั้งหลายก็รู้ว่านางนี้จะไปบวชก็เลยจะมาประทุษร้ายจะมาลักพาตัวก็เลยส่งข่าวไปทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้อุปสมบทติดทูตก็คื อ, คอตัวแทนให้ตัวแทนมาบวชแทนแล้วก็ไปบอกให้ตัวแทนมารับฟังว่าบวชตอนไหนแล้วก็จดจําไว้ว่าบวชตอนไหนเวลาเท่าไหร่ และให้ไปบอกนางอัรการศีนั่นะว่าเป็นพิษุนีแล้วอันนี้เรียกว่าทูเตนะอุปสมพทานอันนี้ไม่ต้องอยู่พร้อมหน้าเนาะอยู่ลับหลังก็ได้การคว่มบาตรและการไายบาตรแก่เจ้าฤิุวีต้นเหตุหรือว่าทำามื่อใครก็แล้วแต่ที่ไม่ประสงค์ดีกับพระรัตนตรัยใส่ร้ายพระพิจุสงฆ์นี่ก็ให้ความบาตรได้ถ้าเ้าขอโทษขอเข้ามาแล้วก็ให้ไถยบาตร อันที่สองนี่ความบาปอันสามหนบาปอันนี้สี อ, นน 4, อุมัตะกะส ม, มตุติแก่พิตุบ้าคือเป็นบ้าอยู่แล้วก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามตอนหลังหายเป็นบ้าแล้วก็มีผู้อื่นมาโจดอาบัตแต่ว่าอาบัตทุกอย่างนี่พิจุบ้าวิกลจริตไม่เป็นอาบัตเป็นอนาบาตหมดเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาโจดนี่ก็ให้พิกจุที่เคยเป็นบ้านนั้นมาขออุมัตะกะสมมติสงก็จะสมมติอุมัตะกะนี้ให้ ไม่ให้ใครมาโจดเพราะว่าตอนที่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีนั้นเช่นไปก่าสาัตว์ต่างๆไปถืออาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาพวกนี้ไม่เป็นอาบัตไม่เป็นอาบัตเพราะว่าเป็นบ้าแล้วก็ให้เศขารสมมุติแก่ตระกูลที่เป็นเสขาบุคคลที่ยากจนแต่ว่ามีศรัทธาเป็นพราหมณ์บุคคลแต่ว่ามีศรัทธามากเพราะฉะนั้นยากจนก็ไม่ให้พระพิสุที่เขาไม่เล่นนิมนต์ก่อนแล้วไม่ใช่ผู้อาพาธไปรับอาหารในตระกูลที่สองสมมุติว่าเป็นเศขา มันเปนการสมมติเสกขาสมมติี้ก็สมมุติรับหลักก็ได้แล้วก็ให้พรหมทานแก่พิสุชื่อฉันนะนิหกนี้ให้พรหมทานการให้พรหมทานนี้ก็เป็นการลงโทษแบบชมเป็นการลงโทษแบบประเสริฐให้พูดด้วยไม่คุยด้วยไม่ว่าไม่กลา้าไม่ติเตียนอย่างจะทําอะไรก็ทําไปก็ตัดขาดไี่เกี่ยวข้องกันเขาก็เดือดร้อนใจไปเองนอกจากผู้ที่ด้านจริงๆอาจะไม่สนใจก็ได้ อันที่เจ็ดก็คือทําประกาศนิยกรรมแก่พระเทวทัตก็หมายถึงประกาศว่าพระเทวทัตนั้นเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นผู้ที่มีความปรารถนานามกหรือว่าประพฤติอาคุณศรัทธาทำลายตรงอะไรก็ประกาศนิยกรรมเป็นการประกาศนี่ก็ทํารับหลักหน้าไม่ต้องทําต่อหน้าแล้วก็อันที่แปดวันทียกรรมอันที่ตุนีสงพึงทําแก่ทิสุผู้แสดงอาการอันไม่น่าเลื่อมใส กรรตั้งแต่อย่างนี้กระทํารับหลังก็จัดเป็นอันรมดีแล้วทําแล้วก็ไม่กำเริบด้วยแปดอย่างที่ทํากรรมรับหลังได้ก็คือทูเตนะอุปสมัมาอุบทด้วยโทษการนำพิจิตรีการคว่ำบาอั น, นิสสองการหายบาอั น, นิสสามอุมาตกะส ม, มุดแก่พิจูที่เคยเป็นบ้านแล้วก็อันที่หกเจกาดสมุดแก่ตระกูลที่อิศธาจะยากจนอันที่หกให้พรหมทานให้กับพระชนะเป็นต้น อันที่เจ็ประการสมิญกรรมแก่พระเทวทัตเป็นต้นแล้วก็อันที่แปดอวันดิยกรรมหมายถึงการไม่กราบว่าในลุกลับไม่ทําสาบิญกรรมแก่พิโสที่ประพฤติไม่น่าเลื่อมใสแต่อย่างนี้ทํากรรมลับหลังได้กรรมทั้งปวงที่เหลือควรทําพร้อมหน้าเท่านั้นเพราะว่าการทํากรรมนี้จะต้องพร้อมหน้าสงพร้อมหน้าบุคคลพร้อมหน้าทางพร้อมหน้าวินัยก็เรียกว่าสามุขหาวินัยแต่ว่ายกเว้นกรรมแปดอย่างนี้ทํากรรมลับหลังได้ คำที่เหลือก็ควรทำพร้อมหน้าคือพึงทำให้อิงสั ม, มุขาวินัยสี่อย่างนี้คือความพร้อมหน้าสงความพร้อมหน้าทำความพร้อมหน้าวินัยความพร้อมหน้าบุคคลอันกรรมทั้งปวงที่ทำแล้วด้วยประการอย่างนั้นย่อมเป็นอันทำดีแล้วแต่กรรมเหล่านั้นที่ไม่ทำอย่างนั้นย่อมจัดเป็นกรรมวิบัติโดยวัตถุเพราะทาเว้นวัตถุกล่าวคือส ม, มุขาวินัยนี้เสีย เพราทำเว้นวัตถุกล่าวคือสำ ม, มุขขาวิิัย น, นี้เสียด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ากรรมที่ควรทำพร้อมหน้าสงทำรับหลังชื่อว่ากรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุอย่างปกติก็ต้องทำกรรมพร้อมหน้าสี่อย่างนี้ก็คือสั ม, มุขขาววิในสีย่อย่างนี้แม้ในกรรมทั้งหลายมีกรรมที่ควรทำด้วยการสอบถามก่อนเป็นต้นการทำกิจมีการสอบถามเป็นต้นนั่นแหละจัดเป็นวัตถุ เพงทราบความที่จมแม้เหล่านั้นวิบัติโดยวัตถุเพราะกระทํามเว้นวัตถุดันเสียอีกอย่างหนึ่งแม้เมื่อสงฆ์อุปสบทบุคคลผู้มีปีหย่อนยี่สิบบุคคลผู้เคยต้องอันติมวัตถุก็คืออบัตถึงที่สุดก็คือเป็นปรารชิกนั่นเองหรืออภพภาพบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งพวกทำอนันตริยกรรมเป็นต้นเรียกว่าอภพภาพบุคคลในอภพภาพบุคคลสิบเอ็ดจพวก ย่อมเป็นกรรมไม่เป็นธรรมวิบัติโดยวัตถุนี้เป็นวินิจฉัยในกรรมที่วิบัติโดยวัตถุวกว่าิเอ็ดจำพวกนั่นก็แบกแบกพวกธรรมอนันตเดชกรรมพวกอุปโตพญานะพวกบันเดาะพวกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้นะพวกคนลักเพศเหยวา่าพวกนี้ที่เป็นอภาภาพบุคคลหมดเลยอันหนึ่งพื่สร้างวินิจฉัยในวิบัติโดยยัตติดังต่อไปนี้สองบทว่าวัตถุงณปรามสติ มีความว่าสงทํากรรมมีอุปสมบทเป็นต้นแก่บุคคลใดไม่ระบุบุคคลนั้นคือไม่ระบุชื่อบุคคลนั้นได้แก่ตรวจว่าสุมาโตเนผันเตสังโฆ อ, อยสมัมโตพุทธรักิตตานอุปสมปดาเปโขดังนี้ก็คือไม่เอ่ยชื่อบุคคลที่จะมาบวชเลยในคําที่ควรจะสวดควรจะสวดเอ่ยชื่ออย่างนี้ว่าสุมาโต เมผันเตสังโฆอยังธรรมรักขิโตอายะสมะโตพุทธารักขิตาสาอุปสัมปดาเตโคอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าไม่ระบุวัตถุก็คือควรจะต้องเอ่ยชื่อของธรรมรักขิตาผู้ที่มาบวชแต่ว่าไม่เอ่ยชื่อมีเรียกว่าไม่ระบุบุคคลไม่ระบุวัตถุ สอบทว่าสังฆนัปรามสติมีความว่าไม่ระบุชื่อสงฆ์คือตรวจว่าสุนาโตเนพันเตอยังธร ร, รมรักิโตดังนี้ในเมื่อควรจะตรวจว่าสุนารโตเนพันเตสังโฆอยังธร ร, รมรักขิโตอย่างนี้ชื่อว่าไม่ระบุสงฆ์อันนี้ก็ทำก็เสียเหมือนกัน สองบทว่าตุคคลังนัปรมามัตติดีความว่าเพกตุใดเป็นอุปัชาของอุปสัมบทาเปกะไม่ระบุเพียกตุนั้นคือไม่ระบุชื่อของพิสูจนนั้นได้แก่ตรวจว่าสุโนโตเนพันเตสังคโฆอยังธรรมรักิโตอุปสัมปดาเปโคดังนี้ในเมื่อควรจะตรวจว่าสุโนโต เนผันเตสังโฆายังธรรมะรักขิโตอายสัมโตพุทธะรักขิตันสาอุปสัมปดาเตโคอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าไม่ระบุบุคคลเหมือนกันก็คือไม่ระบุผู้ที่เป็นอุปชาตสองบทว่ายติณะปรามสติมีความว่าไม่ระบุยติโดยประการทั้งปวงก็คือไม่ได้กล่าวว่าเอซายติอันนี้ําเสียมั้กัน คือในยติทุิยกรรมไม่ตั้งยติกระทําอนุสาวนากรรมด้วยกรรมวจารทั้งสองครั้งเลยก็คือทําอนุสาวนาทั้งสองครั้งแต่ว่าไม่ส่วนตั้งยติแม้ในยติเจตุกรรมก็ไม่ตั้งยติกระทําอนุสาวนากรรมด้วยกรรมวจารเท่านั้นสี่ครั้งอย่างนี้ชื่อว่าไม่ระบุยติายบทว่าปัจฉาวายัตปิงทเปติมีความว่ากระทําอนุสาวนากรรม ด้วยกรรมวาจากรแล้วจึงกล่าวที่หลังว่าเอสายติแล้วกล่าวต่อไปว่าคำมติสร้างขสตัสมาตุนสีเอวะเมตัมธรยามิอันนี้ชื่อว่าตั้งยติในภายหลังกรรมวิบัติโดยยติด้วยอาการห้าเหล่านี้ด้วยประการชนิดวิบัติด้วยยติห้าอย่างนี้ ไม่ระบุสง์ไม่ระบุบุคคลไม่ระบุวัตถุแล้วก็ทิ้งยติแล้วก็ตั้งยติในภายหลังอันนี้ก็วิบัติโดยโดยอะไรเป็นการวิบัติคําวิบัติโดยยติอันหนึ่งพึงทราบวิธีใช้ในวิบัติโดยอนุสาวนาดัางต่อไปนี้วัตถุเป็นต้นพึงทราบตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหละก็คือเหมือนกันวิบัติโดยวัตถุก็ไม่เอ่ยชื่อบุคคลที่จะอุปสมบท แล้วก็ไม่เอ่ยชื่อสง์ไม่เอ่ยชื่อบุคคลที่เป็นอุปชาแล้วก็ทักขละธนกรนี้ไม่ตรงส่วนผิดก็การไม่ระบุวัตถุเป็นต้นเหล่านั้นย่อมมีอย่างนี้ในอนุสาวนาที่หนึ่งว่าสุนตเมผลเตสังโคกด็ดีในอนุสาวนาที่สองที่สามว่า ดูติยามปีเอตัมมทังวดามิปะความละตติยามปีเอตัมมังวดามิสุนโนโตเนพันเตสังโคก็ดีเมื่อควรจะสวดว่าอยังธรรมรักขิตโตอเยสมาโตพุทธรักขิตาสุปสัมปดาเปโคลหลับสวดเสียว่าสุนโนโตเนพันเตสังโค อายสมมโตพุทธะคิตตันสะดังนี้อันนี้ชื่อว่าไม่ระบุวัตถุบุ่งกก็คือไม่กล่าวคาว่าอยังธรรมรักิตโตอายสมมโตไม่ระบุวัตถุบุคคลที่จะมาบวชเมื่อควรจะสวดว่าสุนาตเมพันเตสังโฆ อ, อยังธรรมรักิตโตกลับไปตรวจจะว่าสุนาตเมพันเตอายังธรรมรักิโตนี้ชื่อว่าไม่ระบุสง เมื่อควรจะตวดว่าตุโนโตเมพันเตสังโค อ, อยังธรรมรคิตโตอายัสมะโตผุตรคิตสะกลับไปตรวจเต ว, ว่าสุโนตเมพันเตสังโ อ, อยังธรรมรคิตโตอุปสัมปดาเปโคลังนี้ชื่อว่าไม่ระบุบุคคลก็คือบุคคลที่เป็นอุปชาไม่ได้กล่าวสองบทว่าสาวนังหาเป ต, ติ มีความว่าไม่กระทําการสวดประกาศด้วยกรรมวาจาโดยประกาศทั้งปวงคือตั้งยติเท่านั้นสองครั้งในยติทุนิยกรรมตั้งยติเท่านั้นสี่ครั้งในยติจตุกรรมทิ้งกรรมวาจารประกาศเสียอย่างนี้ก็คือไม่ได้สวดกรรมวาจาที่เป็นอนุสาวนาสวดแต่ยติสองครั้งเลยแม้ไปสู่ใดเมื่อตั้งยติหัวหนึ่งแล้วสวดกรรมวาจาหัวหนึ่งทิ้งอักขระ หรือทําให้เสียบทในยติทุติยกรรมแนวพิสูจนนี้ก็ชื่อว่าทิ้งวาจาประกาศเสียเหมือนกันก็คือสวดไม่ถูกอักษรานกรส่วนในยติจตุติกรรมเมื่อตั้งยติโ อ, อนหนึ่งแล้วส่วนประกาศด้วยกาโมาจาเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ดีเมื่อทิ้งอาาักษรหรือบทเสียก็ดีเมื่อว่าผิดก็ดีพึงทราบว่าทิ้งอนุสาวรีเสียเหมือนกัน ส่วนวินิจัยในคำว่าทุรุตังกรติก็คือตรวจผิดซึื่อจะอไว้ตรวจพรุ่งนี้คู่นี้จะตรวจได้ปังพยัญชนะพุท ธ, ธิหรือว่าพยัญชนะโอสลเนี่ยมีสิบอย่างเดี๋ยวค่อยแสดงวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้สมควรแก่เวลาก็ขอยสัดเ น, นื่งหลายไปพูดคล้ในการศึกษาในพระวินัยเพื่อที่จะถ่ายทอดแล้วก็เพื่อที่จะทรงจา ประพฤตปฏิบัติตามแก่ตนเองแล้วก็สาธุติทั้งหลายผู้ที่มีศรัทธาในการที่จะศึกษาประพฤติตามเมื่อศึกษาแล้วก็จะได้น้อมไปในการที่จะประพฤติปฏิบัติตเพื่อสรงคําสอนแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองรวมทั้งสรงพระธรรมน้อมนําไปในการที่จะประพฤติปฏิบัติการสร่งพระวินัยก็เป็นปันจจากกาัยแต่ละแก่การนักษาศีลการทรงธรรมก็เป็นปันจจัยแต่การเจริญสมถังศาศนาเขาต้องอาศัยเกื้อกูลกานศีลก็เป็นปันจจัย เป็นฐานของสมถะอิกัสสนาไคท่านถึงพร้อมด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาอบรมรายศึกษาเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมคอยพ้นจากวัตระทุกข์ในเร็วพรันนี้ด้วยเทิดสาธุสาธุสาธุ